เพราะฉะนั้นกรรมยังเกิดจากใจและลำพังคิดไปในใจก็เป็นมโนกรรมได้ฉะนั้นการที่ท่านจัดว่ากรรมก็ชื่อว่าเป็นภพอย่างหนึ่ง คือกรรมมพบพบคือกรรมก็มีเหตุผลอยู่เพราะคำว่าพบนั้นมาจากคำว่าภาวะที่แปลว่าเป็นหรือความเป็นความเป็นความมี มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าภาวะก็แปลว่าความเป็นความมีเป็นคำเดียวกันกับคำว่าพบวะหรือพบความเป็นความมีเพราะฉะนั้น ที่เ่อว่าพบก็คือความเป็นความมีที่เกิดตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อนความเป็นความมีอะไรที่บังเกิดขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อน ก็คือความเป็นเราความมีเราอันเรียกชื่ออีกคำหนึ่งว่าอัตมิอัต ม, มิมาณนะ ความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเรามีเราเป็นฉะนั้นความมีเราความเป็นเราขึ้นอันเป็นตัวอัตมิ คืออัตสมิมาณ น, านี้จึงบังเกิดขึ้นในจิตใจนี้มีอยู่เป็นไปอยู่และเมื่อมีเราเป็นเรา หรือเรามีขึ้นเราเป็นขึ้นจึงมีอย่างอื่นต่อๆไปเห็นว่ามีของเราคือจะต้องมีเราขึ้นมาก่อนยังจะมีของเราถ้าไม่มีเราของเราก็ไม่มีฉะนั้น ความมีเราเป็นเราขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมนโนกรรมอันละเอียดซึ่งมีอยู่ในบุคคลสามัญทุกๆคนตรงกับ คำว่าภาวาสวะอาสวะคือพบนอนจมนองจิตสันดานของทุกๆคนอยู่ก็คือความที่มีเราเป็นเราเป็นตัวภาวาสวะ อันนี้แหละกล่าวได้ว่าเป็นตัวโมโนกรรมอันละเอียดที่ทุกๆคนมีอยู่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจะต้องมีเราเป็นเราขึ้นก่อนยังจะมีของเรา และไม่ใช่ว่าจะมีเพียงของเราเท่านั้นแต่ก็หมายความว่ายอมมีสิ่งอื่นทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรานี่ และข้อที่เกี่ยวเนื่องเป็นประการแรกก็คือว่าชาติความเกิดต้องมีตัวเราแต่ตัวเรานี่เกิด ถ้าหากว่าไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิดแต่เพราะมีตัวเราจึงมีชาติคือความเกิดคือตัวเราเกิดเช่นเดียวกับว่าของเราดังที่กล่าวแล้วต้องมีตัวเราจึงมีของเรา ถ้าไม่มีตัวเราของเราก็ไม่มีทั้งใดก็ดีเมื่อมีตัวเราตัวเรานี้เองที่มีอยู่จึงเกิดเพราะฉะนั้นชาติคือความเกิดจึงมีพระพพก็คือความที่มีเราเป็นเรา คือตัวเราและตัวเราที่มีที่เป็นอยู่อันเป็นมนโนกกรรมอย่างละเอียดนี่เองเกิดท่านจึงกล่าวว่า ในที่นี้หมายถึงอุป ป, ปัตติภพหมายถึงกรรมมาพบพบคือกรรมก็ดังที่ได้อธิบายแล้วว่าหมายถึงมโนกรรมอย่างละเอียดที่เรามีเราเป็นเป็นเรามีเรา เป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละคือตัวพบและตัวพบนี่เองก็เป็นตัวกรรมคือจิตใจนี่เองปรุงแต่งขึ้นทำขึ้นมาสร้างตัวเราขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นมนโนกรรมอย่างละเอียดและเมื่อสร้างตัวเราขึ้นมา ก็ตัวเรานี่เองจึงเกิดเพราะฉะนั้นเพราะมีกรรมภพดังนี้จึงมีชาติคือความเกิดถ้าไม่มีกรรมภพดังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดเพราะไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิดเมื่อมีตัวเราขึ้น จึงมีชาติคือความเกิดคือตัวเราเกิดแต่ตัวเรานี้เองก็คือตัวกรรมภพและอธิบายของภพประการที่สองว่าได้แก่อุป ป, ปัตติภพภพคือความเข้าถึง ก็สืบเนื่องมาจากกรรมภพนั่นเองคือเมื่อเรามีเราเป็นมีเราเป็นเราตัวเรานี่เองจึงเข้าถึงชาติคือความเกิด คือตัวเรานี้เองมีอาการไปมีอาการมาและประการแรกก็คือไปสู่ชาติคือความเกิดเข้าถึงชาติคือความเกิดตัวเรานี่เองเข้าถึงชาติคือความเกิดดังที่เรียกในที่อื่นว่า ปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิและอันนี้เองที่เป็นอุปปัติพพถ้าหากว่ามีตัวเราแต่ว่าถ้าตัวเรา ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาก็ไม่มีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิดแต่ครนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อมีตัวเราตัวเราก็ต้องมีอาการไปอาการมา จึงต้องมีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิดอาการของตัวเราที่เข้าถึงคือที่ไปที่มานี่แหละเป็นอุป ป, ปัตติภพเพราะฉะนั้นท่านประสาริบุตร ท่านจึงได้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั้นก็คือรู้จักพบเมื่อพบคืออะไรเป็นประการแรกและเมื่อรู้จักพบ ว่าพบคือกรรมภพอุปติอุปปัติพบอันได้แก่ภาวะที่เป็นเราที่มีเราเป็นตัวเราซึ่ง มีอาการเคลื่อนไหวไปมาได้เข้าถึงโนวนเข้าถึงนี่ได้นี่แหละคือตัวพบซึ่งเมื่อมีพบหลังนี้ก็มีชาติคือความเกิด ให้รู้จักพบดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงและต่อไปท่านก็แสดงว่ารู้จักภาวะสมูทยัยหรือพบสมูทยัยเหตุเกิดแห่งพบ ก็ได้แก่อุปาทานคือความยึดถือรู้จักเพาะว่านิโรธหรือพบนิโรธความดับภพบก็คือดับอุปาทานความยึดถือรู้จักเพราะว่านิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงดามความดับภพบก็คือดับปุปาทานเสียความที่รู้จักดังนี้เป็นสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงเป็นไปเพื่อละ ราคาหนุสัยอนุสัยคือราคะความติดใจยินดีเท่าปฏิคาหนุสัยอนุษัยคือปฏิคะความกระทบกระทั่งกรธดแค้นขัดเคืองเป็นใบเพื่อถอน อนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นเป็นไปเพื่อละอวิชาเพื่อทำวิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้บังเกิดขึ้นนำให้ได้ความเลื่อมใสไม่วันไหวในประธรรม นำมาู่สัตยธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ดังนี้เพราะฉะนั้นความที่มาพิจารณาให้รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นโยงกันไปเป็นลูกโซ่ตามประเทราธิบายนี่ จริงเป็นข้อที่ควรกระทำและเมื่อพิจารณาให้มีความเข้าใจแล้วก็จะได้รู้จักสัจจะคือความจริงในพุทธศาสนาจนถึงขั้นที่เป็นอริยสัจและจะรู้จักอริยสัจ ทั้งสี่ที่จำแนกออกไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมสัจจะคือความจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นจริงเป็นข้อที่ควรตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาให้มีความเข้าใจ และเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ประโยชน์ดังที่กล่าวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบ ต, ต่อไปบัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหกาจารย์ได้ร้อยกรองไว้ในสมาทิฏฐิสูตรโดยลำดับมาถึงข้อที่ท่านอธิบายว่าสมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็ได้แกรู้จักพบรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดพบรู้จักนิโรธความดับพบ <c oughs> และรู้จักนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับพบ ก็ได้แสดงอธิบายไปแล้วแต่วันนี้จะได้เพิ่มเติมในข้อรู้จักพบซึ่งได้อธิบายซึ่งได้อธิบายความหมายของพบใน บทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นโยงกันไปเหมือนดังลูกโซ่อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นและได้แสดงพบ วในที่นี้หมายถึงกรรมมาพบพบคือกรรมอุ ป, ปบัติพ บ, บพบคืออุ ป, ปบัติและได้แสดงถึงกรรมว่าคือการที่กระทำอันเกิดที่ใจเกิดที่จิต จิตจงใจทาแม้ทาทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมทางใจกรรมมาพบในที่นี้ที่เป็นตัวต้นก็ได้อธิบายแล้วว่า like อัตสมิตคือความเป็นเราหรือความที่เราเป็นเรามี เป็นการสร้างความเป็นเราขึ้นซึ่งท่านได้อธิบายในข้อต่อไปสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งพบดังกล่าวก็คืออุปาทานความยึดถือแต่ยังไม่อธิบายอุปาทานจะอธิบายพบเสียก่อน จึงสร้างตัวอัตสมิความที่เรามีความที่เราเป็นขึ้นประพบหรือภาวะแปล ว, ว่าความมีความเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่แปล ว, ว่าความมีความเป็นมีเราเป็นเราขึ้นก่อนจึงเป็นตัวโมโนกรรมอย่างอันละเอียด ซึ่งมีขึ้นเป็นประการแรกดองสันดานเป็นภวานุใสอนุสัยคือพบตลอดมาช้านานและเมื่อมีกรรมมาพบพบคือกรรมดังนี้ จึงมีอุ ป, ปบัติภพภพคืออุ ป, ปบัติความเข้าถึงก็คือความที่เข้าถึงชาติความเกิดเพราะเมื่อเป็นภพคือความมีความเป็นเป็นเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่เฉย มีความไปความมามีความเข้าถึงเข้าถึงนั่นเข้าถึงนี่ก็คือเข้าถึงชาติความเกิดต่อไปนี้ได้อธิบายมาแล้วและได้ซ้ำความเพื่อทบทวน โดยที่วันนี้จะได้อธิบายถึงพบสามที่ได้กล่าวไว้แล้วตามประเทศราธิบายคือประเทศราธิบายท่านว่ารู้จักพบก็คือรู้จักพบสามอันได้แก่การมาพบ รูปประพบรูปประพบข้อแรกกรรมประพบพบที่เป็นกรรมหรือที่ประกอบด้วยกรรม ก็คือความที่มีเราเป็นเราอันประกอบริกรรมจะกล่าวว่าคือจิตใจนี้เอง เป็นที่ตั้งของตัวเราดังกล่าวท่องเที่ยวไปในกามประกอบด้วยกามย่างลงไปในกามเป็นภาวะ จิตใจหรือเป็นภาวะเป็นภพแห่งจิตใจของสามั ญ, ญชนทั้งปวงที่เป็นกามาพรจรประกอบด้วยกามอันกามนั้นแปล ว, ว่าใคร แล้ ว, ว่าปรารถนามีสองอย่างคือกิเล ส, สกามกามที่เป็นกิเลสอั น, นได้แก่ตัวความใคร่ตัวความปรารถนา อีกอย่างหนึ่งวัตถุกรรมกรรมคือพัสดุโดยมากแสดงไว้คือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สาบได้สาบ และโพธพภะคือสิ่งถูกต้องที่กายได้ทราบรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายดังนี้เรียกว่าวัตถุกรรม